จพสร้างยึงความสงกทุกคนก็ให้นั่งตามปกติให้ทำกายให้สบายทำจิตให้สงบ ต, ต่อไปนี้เป็นเวลาที่พวกพุทธบ ร, ร, ริษัททั้งครือหัสเยาว์ปัญญาชิตทั้งหลายจะได้ตั้งใจรับโอวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราโดยความเคารพในวันนี้ในปลาลบซึ่งศรัทธามาจากกรุงเทพ ค, ครซึ่งมีคุณอคมซึ่งเป็นประธานนำคณะมามากพอสมควรเพื่อจะมาทอดท่า ป, ป่าณวัดหนองปลาโงในวันนี้เมื่อทำกิจอันใ ด, ดเสร็จแล้วเป็นโอกาสที่ว่าต่อไปเพื่อจะได้ฟังธรรมขององคส์สมเด็จสมมาจัมมุติเจ้า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 ก็มีกำลังใจที่จะให้ธรรมะเรียบประ น, นึงว่าเราจะให้วัตถอนนอุอันใดของอันใดอันหนึ่งแก่บุคคลใดคนหนึ่งเป็นต้นในความพอใจมีจิตนาอันดีเมื่อผู้ที่รับก็พอใจที่จะรับทั้งสองฝ่ายตัวเรียกว่ามีอรรมณ์ิกรมกืนซึ่งกันใลกันเหมาะสมกับการฝังธรรมะ หรือเหมาะสมกับการที่จะให้ของหรือรับของเช่นนั้นเหมือนกันฉะนั้นตมาจึงให้เตือนใจว่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญนะอย่าพาท่านทนทใจให้ร้อนบางคนก็จะกระสับกระส่ายในใจว่าวันนี้มีอุปสรรคมากการมาสร้างบุญสร้างกุศลวันนี้น่าจะไม่มีอุปสรรค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 เราสร้างประโยชน์ที่ดีประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นทั่วไปด้วยจิตนาอันดีถึงแม้มันจะทุกข์กายหมดอันตรายไปแล้วใจเราก็ยังมีความสุขก็เปลี่ยนชั้นนั้นเหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นแต่ตัวพวกเราทางด่ายนี้ถึงแม้พระพุทธเจ้าท่านกาวบกาฟันอุปสัคอันนี้มาตรการตรเวลา ถ้าไม่มีอุปสรรคนะไม่มีอุปสรรคก็ไม่มีกำลังใจก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเมื่อมันทุกตรงไหนก็พยายามพิจารณาตรงนั้นฉะนั้นทุกนี้พระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญยิคืเนแต่คนผู้ที่ไม่มีปัญญาไม่สรรเสริญเลยทุกเนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงจัดว่าทุกข์ขัดทุกนี้เป็นสัจธรรม ถ้าเมื่อเกิดทุกข์เมื่อใดพระพุทธเจ้าของเราสบายเมื่อนั้นมีปัญญาเมื่อนั้นเช่นกันรบกัมยมานนี่ซึงเป็นประสักด์ขัดขวางไว้ท่านชนะทุกทีทําไมท่านชนะทุกทีก็ท่านได้ปฏิบัติทุกทีท่านก็มีปัญญาได้ชนะทุกทีอันนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันวันนี้เรียกว่าเราพปพบกันใช่ซึ่งว่าอริยศาสตร์คือทุกขศาสตร์ คือของจริงเช่นนี้ให้พวกเราควรประกันนึกถึงผุญพระพุทธเจา้าเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี้ยท่านพบทุกข์ขัดท่านพิจารณาในทุกอันนั้นท่านจึงมีความอด ท, ทนชนะมารทั้งหลายทั้งปวงปราะการประพฤติปฏิบัติอาจารยนั้นขอพุทธบริษัทวันนี้จงมีความเข้าใจในการการะทำของเราทุกๆคนแต่อัตมาก็เห็นความลําบาก ลำโบนของญาติโยมทั้งหลายซึ่งเดินมาจากทางไกลเห็นนั้นมากเหมือนกันแต่ว่าก็มีการดีใจส่วนหนึ่งที่มากเก่อบสุดเหมือนกันมีความอุตส่าห์พยายามมาต่างต่นโน้นมาถึงนี้เป็นระยะทางหลายร้อยกิโลนะอันนี้เียวว่ามาด้วยศรัทธากันจริงๆไม่ใช่มาไม่ใช่มาหนเดียวใช่ไหมมามาบ่อยใชด้วย น, น, นะ อันนี้เห็นว่าญาติโยมมารัทธาอันที่ประกอบด้วยปัญญาจริงๆอนี่ชวนกันมาร้อมใจกันมานี่เห็นประโยชน์เพราะว่าเห็นประโยชน์ในอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ญาติโยมที่ทําไปนี้เรียกว่ามาแสบงใหม่หาอริยทรัพย์อริยทรัพย์ทรัพย์อันนั้นเป็นทรัพย์ภายในไม่ใช่ทรัพย์ภายนอกแต่เดิมมันก็เป็นทรัพย์ภายนอกเรียนขอเป็นทรัพย์ภายใน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 เพราะว่าเขาถึงจุดมันคือที่ความสบายใจหรือความดีใจที่ฝังไว้ในวิญญาณอันนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงเรียกว่าบุญมันไม่อยู่ภายนอกจับข้ามาข้างในซะท่านจึงจัดเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในน้ำท่วมไม่ได้ไฟใหม่ไม่ได้โจนลักไปไม่ได้ ะส่วนนี้โยมจะสบายส่วนที่บริจาคไปวันเนี้ยเก็บไปทีมันดีๆแล้วพ้นอันตรายแล้วสบายใจอืมอันนี้เรียกว่าไอ้ความสบายใจเนะี่น่ะมันไม่ ม, มีโทษอะไรฉะนั้นการบริจาคนี้ท่านเรียกว่าไอ้ปราบเจดิตส่วนหนึ่งซึ่งที่ว่าตัวโรภะไอ้ซึ่งมันทําใจเราให้มั่วมองเมื่อกิจมั่วมองแล้วทําไปได้ทุกประการรค์ฉะนั้น การกระทำมันนี่ของญาติโยมทั้งหลายเป็นไปในํานองอันนี้แต่อย่างไรก็ตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านสอนว่าการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนานั้นรวมกันไปหาจุดอันเดียวจุดอันเดียวคืออันใดจุดอันเดียวอยู่ที่ไหนจุดอันเดียวเพื่อใจถึงความสงบหาความสงบ อยากสิ่งตัางหลายตั้งปวงหรือ่หาความสงบจุดนี้คือความสงบเมื่อความสงบแล้วก็เรียันจบก่อนจะสงบนั้นอนะ่ะเราจะรู้เรื่องว่ะเราจะทำยังไงใจเราก็จะสงบอย่างนี้เป็นต้นเมื่อจิตเราไม่สงบเราจะทำยังไงมันถึงจะสงบถ้าเมื่อจิตสงบแล้วก็ถึงจุด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 เช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราัตนว่าให้เห็นให้ถูกต้องเรื่องว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังเกปโปสัมมากโมโตสัมมาวาจาสัมมาวาิามุตสัมมาสติสมาสมาจาธิสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละแปดประการเนี้ไม่ใช่มีแปดมันองค์มันองค์ของมรตมีแปดอย่าง มักมีองค์แปดเป็นองค์เมันมักมีอันเดียวคือเอกกายมักเป็นมักอันเดียวและก็เป็นของบุคคลที่จะสัญจรไปคนเดียวไปผู้เดียวไปแต่ผู้เดียวแต่ว่ามีองค์แปดประการเมื่อเรามาเห็นชอบดํมดิมันก็ชอบวาจามันก็ชอบการงานก็ชอบเลี้ยงชีวิตมันก็ชอบ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 เป็นนั่นเดียวคือความสงบจุดนี้เป็นทางที่องค์สมเด็จพระชมมาสัมพุธทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าให้ดืม่มมรรคอันนี้เป็นสัมมามรรคอันนี้เมื่อเราคิดแล้วกินใจสงบเช่นวะเราถูกอารมณ์อันใดเกิดขึ้นมาถ้าเราเป็นสัมมาถิมีความเห็นชอบแล้วทุกอย่างมันชอบทั้งนั้นน่ะไม่มีผิด เขาธรรมะท่านสอนในการปล่อยวางไม่มีอะไรเมื่อมีความสุขเกิดขึ้นมาใ้ความสุขอันนี้ท่านก็สอนว่าสักวัตสุขทุกเกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็สอนว่าอันนี้ก็สักวัตทุกไม่มีใครสุขและไม่มีใครทุกข์เป็นแต่ความรู้สึกเกิดขึ้นมาเฉยๆท่านจะว่าสักวัตสุขสักวัตทุก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 มันเป็นมาตามเรื่องของมันเกิดมาตามกิริยาของมันมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นท่านจริงบอกว่าถ้ามีความสุขแล้วก็ให้รู้ตามความเป็นจริงมันเสีย ว, ว่าสุขนี้ก็สักว่าแต่สุขไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้าทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วท่านก็ให้รับรู้พิจารณามันว่าทุกข์นี้ก็สักว่าแตทุกข์ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ถ้าเราคิดเช่นนี้เนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิเราก็ไม่ได้ไปเป็นเจ้าของสุขนั้นเราก็ไม่ได้ไปเป็นเจ้าของทุกขันนั้นสุขทุกข์กันนั้นได้เป็นของที่ไม่มีเจ้าของไม่มีเจ้าของถ้าใครก็พยึดมั่นถือมั่นมันก็ไปเป็นเจ้าของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อไปเป็นเจ้าของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นของทั้งหลายเหล่านั้นมันก็มีเที่ยงมันไหลไปเรื่อยไปบางทีมันก็หายไปบางทีมันก็ได้มา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 อันนี้มันเป็นมิจฉาทิฐิในธรรมนองอย่างนี้ถ้าเป็นสัมมาทิฐิแล้วเวทนานี่ก็สักวเวทนาโปร่งสันสอนอย่างนี้เวทนานั่นคือความเสวยสุขหรือทุกข์สองประการนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นมาแต่เวทนานี่สุขเวทนานี่ก็สักวจะสุขเวทนาทุกข์ที่เกิดขึ้นมานี่ก็สักวจะทุกขเวทนาเท่านั้นเกิดแล้วมันก็ดับไปเจ้าของสุขนั่นไม่มี เดี๋ยวของทุกนั่นมันก็ไม่มีพระพุทธเจ้าจานในพิจารณาอย่างนี้เมื่อเราพิจารณาเข้าไปชนีบ่อยๆเดจปัจโกเรียกจิตเราเข้มาดูซิว่าอันนี้คืออะไรอันนี้มันคืออะไรสุกนี้มันคืออะไรทุกนี้มันคืออะไรมันเป็นของเนี่นอนไหมมันเที่ยงไหมหรือมันเป็นยังไงพิจารณาตามมาันเ้ย เราพอมองเห็นนี่ว่าสภาวะที่เราเป็นอยู่นั้นเราเคยสุขมามั้มเคยมาและมันหายไปมีไม้ยหายไปมันก็มีเดี๋ยวทุกข์มันเคยมีไม้ยเคยมีทุกข์มาทุกโผน่เดีว่ามันทุกข์ไปตลอดไหมบางทีมันก็หายไปนี่เราจะไปเอาเรื่องเอาราอะไรกับสิ่งทางหลายเหล่านี้นี่น่่เป็นอารมณ์อย่างนี้นี่พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้เมื่อรารู้สิ่งทั้งสองประการนี้จิตเราก็สงบ สงบทำไมถึงสงบเพราะเราไม่ไปเป็นจค่ของอะไรทั้งนั้นแต่ว่าเราใช้เสียงทางไหนเรานี่ได้ตามสบายถ้วยโถโอจานที่มีในบ้านในช่องของเราโต๊ะเก้าอี้อะไรที่มันมีอยู่นั้นก็ไม่ใช่ของเราเราเราใช้ไปเพื่อไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราแต่เราใช้อันนั้นตามสบายใจโดยที่ไม่ท้องทุกข์ใช่โดยผู้มีปัญญารอบคอบ ให้อยู่เหนือสิ่งทงั้งหลายเหล่านั้นให้รู้เหนือสิ่งทงั้งหลายเหล่านั้นถ้าไปอยู่เหนือสิ่งทงั้งหลายเหล่านั้นเราก็แบกมันโดยอุปทานว่าอันนี้ของเราอันนี้เราด้วยไปอันนี้จะเนี่ยมันเป็นมิจฉาทิฏฐิใ้ความเห็นที่เกิดขึ้นมาพ่อเราเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรผิดหวังอันนั้นเธอจึงเป็นอย่างนั้นอันนี้แกจึงเป็นอย่างนี้ ไม่ได้ตามตาดนาของเรามิฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่นสอนพุทธบริษัทเราทั้งหลายเพื่อพ้นจากวัตฏะสงสารทุกทกคนแต่ว่าเราสัตว์ผู้ที่มีจิเดียนาปัญญาหยาบนั้นก็คิดในอย่างนึงที่ฟังธรรมะแล้วอะไรก็มาเจองตนอะไรก็มาเจ๊งตนทั้งนั้นกลัวจะไม่ได้ก็ไม่สบายใจ ไอ้ความเป็นจริงนั่นที่เรียกวของตนหรือของตนตน่ะตนหรือของตนนั้นเป็นได้แต่ว่ามันเป็นของสมมุติแต่ว่ามันในเป็นมีมุติเราต้องเรียนรู้มันชะทุกอย่างอ่ะมันเป็นของสมมุติเข่นตัวของเราเนี่ยะตัวของเราเนี่ยชื่อเราเนี่น่ะไม่มีชื่อมาเตั้งเมื่อวันเราเกิดนะเกิดมาแล้วมาตั้งชื่อใหม่ชื่อเก่านั้นไม่มีเพราะมันไม่มี ทำไมมันตึงไป ม, มีมันว่างอยู่ตรงนั้นแหละตรงที่ไหนมันว่างก็เอาอะไรไปวางตรงนั้นก็ได้เออเอาไปวางไว้ตรงที่มันว่า ง, างเพราะว่าศาสตร์เกิดมามันว่างไม่มีชื่อแล้วก็ตั้งชื่อให้มันเชื่อชื่อใหม่นเนี่ยเอาไปใส่ใหม่ถิ่นสมมุติขึ้นมาเป็นนายกนายขอนายคอนายงอนี่ชื่อใหม่สมมุติที่ตรงนั้น ทำไมยิ่งสมมติมันเพราะตรงนั้นมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรจรึงสม ม, มุติว่าให้มันเป็นนายกนายขอใช่ไหมนกอกนายข อ, น, ขอนั้นจึงถูกสม ม, มุติขึ้นมาไม่ใช่ในายกริงนายขอจริ ง, รงเป็นนายกสมมุตินายขอสมมตุติมันไม่ใช่วีมุตถ้าไปถามถึงแล้วจริงๆเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเป็นสภาวธรรม เท่านั้นเกิดแล้วมกงลับไปหลับไปแล้วเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วมึงก็ลับไปเกิดเกิดดับดับอยู่เช่นนั้นสภาวะทั้งหลายเหล่านี้เมื่อเรานำเอาอันนี้ไปพิจนารณาเราจะเห็นตามความเป็นจริงของพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนจริงๆริงท่านสอนจริงจริ่ฉะนั้นเราจึงเอาเรื่องอันนี้ไปประพฤติธปฏิบัติเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงมันเช่นนั้นแล้วนะ ไม่ใช่ว่าเราจะทุกข์ไม่ใช่ว่าเราจะจนลงไปเห็นว่าอันนี้ไม่ใช่เราอันนี้ไม่ใช่ของเราเช่นเนี้ยยิ่งสบายกว่าเก่ายิ่งสบายใช่ของนั้นอย่างสบายสบายอืนะบางคนจะาคิดเช่นนั้นเนี่ยว่าไม่ไม่อยากจะทําการงานอะไรทําแล้วก็ามาใช่ของเรานะไอ้ควันบิงกย่ะไอ้คนที่ทําอะไรว่าใช่ของเรานั่นแหละคนนั้นมันเป็นทุกข์มาก มันเป็นทุกข์มากทีเดียวแหละเมื่อเราทำไปทำไปทำไปอยู่ก็เห็นว่าอันนี้ทำไปเพื่อการกระทำแต่ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทำไปด้วยวางไปด้วยละไปด้วยนี่ตามความเป็นจริงของมันเช่นนั้นอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิในความเห็นชอบมีอะไรรู้สิ่งทั้งหลายเราตามเป็นจริงของมันเสียเช่นนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นของสมมติ รู้จักสมมุติแล้วเราก็สบายใจกันเรื่องสมมุติคือสมมุติให้มันเป็นขึ้นมาฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรากันว่าไอ้ที่ตรงนั้นนะมันว่างท่านสอนพระโมคคราชท่านสอนว่าพระโมคคราชท่านจงมองดูโรคอันนี้ให้เป็นของว่างอย่างนี้คนก็ตกใจนะมองดูโรคนี่ให้มันเป็นของว่าง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 มันเป็นของว่างจะถามกระโถนใบนี้หรือว่าแกเป็นอะไรมันก็ไม่ตอบเราก็มันก็ไม่เป็นอะไรจะเรียกว่ามันเป็นกระโถนก็ได้ก็เราสมมุติมันหรือเราจะเรียกว่าหม้อก็ได้เพราเราไปสมมติมันขึ้นมาไอ้ตัวกิงของมันนั่นมันมันไม่มีอะไรเรากลับไปยึดมันยึดมั่นหรือถือมั่นมันยกตัวอย่างเช่นว่า นคนสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นคนฉลาดมากกลุ่มหนึ่งเป็นคนโง่ไปซื้อของในตลาดมาไอคนกลุ่ ม, มทีโง่ไม่รู้จักไนยะก็ไปซื้อเอามอมูดมามอมูดเอามาก็มาตักข้าวหงใส่กินกันสบายนะไอเขไม่รู้เรื่องไอเจีาคนฉลาดมาก็มาเห็นนี่มันทำอะไรกันเนี่ยนะ มันนาดังเกลียดเนี่ยมีหม้อมูดเนี่ยมันเอาไปเป็นหมอ้อเข่ายังไงกันเนี่ยนารังเกลียดเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนี่กลุ่มหนึ่งเป็นคนโง่กลุ่มหนึ่งเป็นคนฉลาดทําไมถึงจะดังเกรียดมันเน่าหมอ้อมูดนั่นก็ใหม่ๆไม่ได้ไปทําอะไรก็เหมือนหมอ้อธรรมดาเราเนี่ยมันก็สะอาดอยู่แล้ว ท, กกทําไมรังเกลียดปนญแจก็เพราะเราก็ไปยึดว่ามันเป็นหมอ้อมูดแั่เองไอ้ความเป็นจริงมันเป็นหมอ้อสะอาดธรรมดาเรานี้แหละ นี่เขาไปยึดมั่นถือมั่นมันเลยเกิดทุกมาเกิดดังเบียดขึ้นมาแล้วก็ไปเห็นคนนั่นเออไอ้ น, นี้มันโง่นะ่ะอันนี้มันเป็นหมอมูดเขาเนี่ยนี่เอามาตักข้าวจะ ท, ทาไมล่ะไอ้นคนสองคนเดียกว่าคนไหนฉลาดคนไหนโง่อันนี้เรียกว่าวัตถุมอมูดมันก็ไม่รู้จักมันหมอธรรมรามันก็ไม่รู้จักมันเราก็ไปสมมติมันขึ้นคือเป็นหมอมูดก็เลยดังเบียดกัดน ออาไปใส่แกงก็รังเบียดหนึ่งเอาไปใส่ข้าวก็รังเปียดกันทุกอย่างนี่ใครรังเปียดใครนี่เพราะเราเห็นติดสมมุติถ้าเป็นหมอมดูดก็เป็นมอมดูดจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นนะ่ะเมื่อพูดไปถึงความเป็นจริงแล้วนะ่ะมันเสมอการวัตถุสองอย่างนี้แล้วแต่เราจะใช้มันเถอะเมื่อมันสะอาดอยู่เราก็ใช้มันไปเอาไปทําอะไรก็ได้เรื่องของมันเป็นอย่างนั้นถ้าเรารู้ตามไปจริงมาแล้ว มันก็ไม่มีอะไรไม่ได้ไปเป็นเจ้าของอะไรมีมอมูดมาก็ใช้มันได้มีหมอดธรรมดามันก็ใช้มันได้สบายอันนี้เรว่ารู้รู้ตามไปยิงของมันแล้วเช่นว่ากระโถนไปนี่เราเรียกมันขึ้นว่ามาเป็นกระโถนแต่ความเป็นจริงมันไม่รู้มันเป็นอะไรจะเรียกมันมาถ้วยก็ได้จะเรียกมันมาหม้อก็ได้นี่เรียกว่าสมมุติเอาความสมมุติเช่นนี้คนธรามาติดสมมุติเช่นนี้เอง จึงเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วมันจะเกิดติดสมมติสมมติว่าตัวตนสมมติว่าตนสมมติว่าของข อ, องตนอันนี้พระพุทธเจ้าของเราทาน่าเป็นภาษาโลกสมมติเพื่อให้รู้จักกันเท่านั้นเองอย่างคนเกิดมาก็เป็นคนธรรมดากันนี่เนแต่มาสมมติขึ้นว่านายกนายขอนายขนายงอขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อมันใช้ในภาษานั้นรู้จักกัน จะเรียกว่านายกอเนะ่ยคนนั้นมันก็มาจะเรียกว่านายขอคนนั้นมันก็มาคือให้มันสรดวกแก่การเรียกการใช้ในโลกเขาตอนนั้นเองเมื่อรวมกลุ่มเข้าไปแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นอะไร ห, หมดทุกสิ่งทุกอย่างรวมตรงนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าคนเั้ถึงว่าให้พูดอย่างใจอย่างเขาเรียกว่าก็โถนก็เรียกกับเขาได้เขาเรียกว่ามอมุอดก็เรียกว่าได้แต่พูดอย่างใจอย่างคือพูดปรับตัวเขาให้ถึงกับโลกเขา เสมอกับโรคเขาความเป็นอยู่ในโรคอันนี้ฉะนั้นกระผธเจ้าในสาวกของท่านทั้งหลายนั้นท่านก็มีความเป็นอยู่กับประชาชนทั้งหลายนี่กับอันตาพานทั้งหลายกับโจรทั้งหลายกับคนธรรมดทาทั้งหลายเนี้ยท่านก็ปรับตัวเขาอยู่ได้เพราะท่านรู้จักสมมุติเพราะท่านรู้จักวิมุติรู้จักความเป็นจริงมันเช่นนั้นเมื่อเรารู้จักเช่นนั้นใจเราก็สบายสงบ จะงกไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นธรรมาของมันเรารู้ ว, วจากว่าอันนี้เป็นสมมติอันนั้นเป็นบีมุตตู้จามเป็นจริงแล้วตอนนี้ล่ะใจก็ไม่วุ่นวายจิตใจมันว่างฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขออ น, นั้นตท่านจะให้ปฏิบัติธรรมะปฏิบัติธรรมะมันเป็นยังไงธรรมะคือของสุดทิงทุกอย่างที่เรียกว่าธรรมะสิ่งที่ไม่เป็นธรรมะไม่มีในโลกอันนี้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 ไอ้ความดีทั้งหลายความชอบทั้งหลายการปฏิบัติทั้งหลายนะ่ยมันอยู่จิตกายกับใจของเราไม่ใช่เป็นเป็นของมากกายนี้อย่างหนึ่งใจนี่อย่างหนึ่งเดียวนี้สิ่งสองสิ่งนี่ก็อยู่พร้อมกันเรียกว่าเรามีอยู่เรื่องกายเรื่องจิตนี่มีอยู่แล้วก็คือข้อปฏิบัติปฏิบัติเทนี้ปฏิบัติกายกับจิตเราเทนี้รู้กันเทนี่มีของสองอย่างตัว น, นี้เองถ้าท่านพูด ตามประสูตรประพิษดานไล้ ย, ย่างไร้ป็นการเมื่อสารูปตรงแล้วเห็นว่าทำรูปปัรรมเป็นรูปปัตรรมเป็นนามปัตรรมสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาของเราเนี่ยเรียกว่ารูปอันนี้ก็มีอยู่เราก็เห็นมันอยู่มันเกิดแล้วแก่เก็บตายอย่างทุกคนก็เป็นมาอย่างนั้นจิตใจของเรานี่ก็เหมือนกันมันก็เกิดมาแล้วมันก็ดับไป กายกับจิตทั้งสองอย่างนี้เรียกว่ารูปกับนามนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่เนโนนของไม่จริงไม่จังพวกเราทั้งหลายก็อยู่อาศัยทมทั้งสองประการนี้คือรูปกับนามพระพุทธเจ้าส อ, สอนว่าอย่าไปเอาจริงเอาจังกับมันเลยของที่มันไม่จริงไม่จังเราจะไปเอาจริงเอาจังกับมันเช่นนั้นไม่ได้มีแล้วก็หาไม่เกิดได้มันก็หายไป มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่ามันไม่จริงไอ้ความจริงมันอยู่ที่ไหนไอ้ความจริงก็คือมันเป็นอยู่อย่างนั้นเองมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอันนี้คือความจริงมันแปรมันพวนี่เป็นอยู่อย่างนั้นน่ะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนียท่านเรียกว่าอันนั้นเนี่ยเป็นธรรมะที่มีอยู่ในกายในใจของเราทุกวันนี้เมื่อเราสร้างคุณงามความดีทั้งหลาย ทั้งกวางนั้นก็เพื่อให้เรามุ่งเข้าไปเห็นธรรมอนี้ตามความเป็นจริงเห็นเป็นจริงเห็นยังไงเห็นว่าอันนี้มันไม่เที่ยงเห็นว่าอันนี้มันเป็นทุกข์เห็นว่าอันนี้มันเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันทึงเป็นของมันอย่างนั้นถ้าเราไม่รู้เรื่องอันนี้จังเราก็ไปยึดมั่นหมายมั่นมันมันก็เปลี่ยนไปเราก็ทุกข์มันเกิดขึ้นตรงนี้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 ก็ดีว่ามันเป็นเฉพาะความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นเองเออไม่ใช่มีอะไรไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนอะไรเกิดได้มันก็หายไปเช่นนั้นฉะนั้นองค์สมบจพร菩萨มมาสมพุทธเจ้าของเราให้สร้างประโยชน์ให้รับปรกันสร้างประโยชน์ปัจจุบันอ น, นี้อย่าไปรอไว้ว่าพรุ่งนี้เดือนปือนี้อริปัจจุบันอนาคตมันรวมอยู่ที่ปัจจุบัน ปัจจุบันที่เราอยู่กันนี้ก็คือผลของอดีตอดีตก็คือสิ่ง น, นั้นมันเป็นเหตุของปัจจุบันเมื่อถึงปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เป็นผลเมื่อปัจจุบันเป็นผลนี้ปัจจุบันเป็นเหตุอนาคตเป็นผลทางพุทธศาสนาเขาเรียกว่าอันนี้ไดีเป็นบิบาเ ค, คือจากการกระทาดีกระทาชัๆๆ anch anch ่วเกิดการกระทาดีกระทชั่วรีว่าบิบาก ฉะนั้นวิบากทั้งหลายอดีตก็ดีอนาคตก็มารวมอยู่ที่ปัจจุบันเรานั่งอยู่เนี่ยทําเสียเมื่อเรามีอยู่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้รีบทําอืมท่านบอกว่าอย่าไปห่วงอนาคตเลยอย่าไปห่วงอดีตเลยทําไมท่านถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าที่เราอยู่เดี๋ยวนี้มันก็เป็นผลของอดีตอยู่แล้วที่เราอยู่เดี๋ยวนี้มันก็เป็นเหตุของอนาคตอยู่แล้ว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 ไม่ต้องตามไปถึงอนาคตแล้วเพราะเหตุมันอยู่ตรงนี้ผลมันก็อยู่ตรงนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านถึงสอนเมนื่อกัตารุทำใหม่ๆได้ถกรรมาเทศเป็นปฐมโพธิการท่านเทศเรื่องการมาสุขานิการณุโยโคโ อ, อัตตะยีรมาฐานิโยโภสองประการตอนนี้เองสองประการเทเนี้ยการมาสุขานิกาณุโยโภ ค, คือความสุขติดในความรัก ติดในความสุขติดในความสบายจมลงไปลึกมันลึกไม่ค่อยจะเห็นพิ้งยากเหลือเกินเนี่ยไอ้ความสบายไอ้ความสุขความรึกเนี่ยเป็นกิเลสส่วนหนึ่งที่คนมองไม่เห็นและบุคคลเราก็ปรารถนาด้วยนะเรื่องกามเรื่องสุขสบายมันจมลงไปในพื้นไ ม, ไม่ค่อยเห็นเนื้อเห็นตัวติดความสบายแลย้วเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่า เป็นการมาสุคานิการนิโยโคลถ้าผู้ประพฤติปฏิบัติให้ถึงความสงบเมื่อเห็นเช่นนี้ให้ระวังเหมือนกับเห็นทางโคง้งจะได้มองเห็นป้ายก็ตันทีว่ น, นี้โคง้งโค้งอันตรายนะเห็นไมเราเรานั่งรถไปกินทา ง, งโคง้งเห็นไหมท่านะโค้งอันตรายโซฟ์ต้องระวังนะโค้งอันตรายนะสุขเนะี่ย ถ้าคนจมในความสุขนั้นนะ่ะโอ้ยมันสบายมันจมลงไปลึกไม่ค่อยเห็นเนื้อเห็นตัวเลยไม่ค่อยเห็นว่ามันผิดไม่ค่อยเห็นว่ามันเป็นทางโคง้งไม่ค่อยเห็นว่ามันผิดอันตรายไอ้ความรักหรือความสุขนั่นแหละอันนี้ประการอันหนึ่งประการที่สองท่านพูดถึงความทุกข์ด้วยความไม่ชอบหรือพูดถึงความโรกรธสักกว่านะ อันนี้ก็เป็นโคงเหมือนกันโครงอันตรายเหมือนกันอันนี้คนไม่ชอบเป็นกิเลสอันนี้แต่คนไม่ชอบทุกไม่ชอบมันเป็นอัตอตะจิรมาฐานโยโคไม่ชอบแต่สุขนี่ชอบทุกไม่ชอบสุขฉันจึงชอบไอความเป็นจริงนั้นนะสุขหรือทุกเนี่ยนะมันมีโทษเท่าเๆ่ากัน โทเท่าเท่ากันมีคุณค่าเท่าเทกันแต่ว่าสุขนั้นน่ะมันเข้าข้างเราไอ้ความรักไอ้มันเข้าข้างเราไอคา้ไอความเกลียดนั้นมันไม่เข้ามันอยู่ข้างนอกมันหยาบยเกินมองเห็นอย่างง่าย <Okay. S 1> เมื่อเกิดขึ้นมาแล้เราไม่ใจดีดีใจไม่ได้ไอ้ความดีใจนั่นแหละเราพากันแสเบงกันแสเบงหาความดีดีใจ ดีใจก็เป็นกเกียดอย่างยิ่งเหมือนกันนะเหมือน ก, นกันกับความที่ไม่ดีธรรมะแสถแยรจริงนั้นนะ่ะพระพุทธเจ้าท่านให้ว่าไม่ให้ยินดีกินร้ายไม่ให้ยินดีกินร้ายเราประพฤติปฏิบัติทำยังไงมันจะถูกต้องการมาสุขันนการโยโภอตตะกิรปฐานโยโคเราเห็นสองข้างเสมอในเดียวสุขเกิดมาเรารู้อย่างทุกเกิดมาเรารู้ สองอย่างนี้พระพุทธเจ้าว่าปฏิบัติให้เป็นสัมมาปฏิปทาของจิตเมื่อเห็นความสุขเกิดขึ้นมาแล้วก็ให้รู้โทษของมันเลยอย่าเป็นจิตมันเลยอย่าไปหมายมั่นมันเลยอย่าไปยึดมันมัน่นหมายมันเลยให้เห็นว่าสุขนี่กษัตริย์ว่าแต่สุขเท่านั้นมันก็หายไปทุกเกิดขึ้นมาดูเหมือนกันให้รู้ว่าจะาว่าคือทุกเนี่ยก็สักว่าทุก์เท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาโดยสักก่าเป็นทุก ทางซ้ายท่านก็มาเหยไปทางขวาท่านก็มาเหยไ ป, ใ ห, ไปให้ท่านตรงแน่นอนไปเลยทุกไว้ข้างนี้สุกเวทข้างนี้นี่เป็นสมาปฏิปทาของถ้าเราประพฤติปฏิบัติเมื่อจิตจะเป็นเช่นนี้จิตมันติดจากทางเราก็รู้จักเมื่อมีความรักเกิดขึ้นมามันจะไปยึดมัน่นเราก็บอกวันเฮยอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันเนะี่ยสิ่งใดเราเราไม่ชอบ เราก็เป็นทุกข์เราก็เตืนอนจิตน ว, ว่าเออันนี้ก็อันตรายเหมือนกันที่ไหนที่ไม่เป็นอันตรายอยู่ที่ไหนที่มันไม่สุขไม่ทุกข์นั่นแหละไม่เข้าข้างสุขไม่เข้าข้างทุกข์นั่นเองตรงนั้นเป็นสัมมาปฏิปทาของพระอริยเจ้าทั้งหลายแต่เดินไม่นั่นนั่นเดียวกว่าเป็นปฏิปทาพอดีพอดีนี่เราถูกต้องแล้ว เราต้องรู้จักธรรมะก่อนอันนี้พระพุทธเจ้ากอทันย้ำเหลือเกินเพราะท่านติดมาหลายพวกลายชาติแล้วท่านก็นึกว่าสุขกันดีท่านก็เอาที่สุขแะไรทุกท่านก็ไม่เอาดังนั้นเนี่ยท่านเข้าใจว่ามันดีแล้วไอ้ความปีกยิงสุขแล้วมันเปลี่ยนก็มันได้มันก็ไม่แน่เหมือนกันดีดีนี่ก็เหมือนกันี่ประพฤติดีเมื่อได้ดีแล้วให้อยู่เหนือมันนะอย่าไปยุติได้มันให้รู้จักดีถ้าไม่รู้จักดีมันก็ไม่ดีอีกแล้ว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 เราก็เห็นอยู่เห็นอยู่ก็รู้อยู่ฉะนั้นจันจะเรียกว่าภาวนาให้เดียยกลมหายใจขึ้นมาสูก่กิตแล้วเดี๋ย ว, ว่าพุทโธพุทูพุทโ ธ, ท ธ, ทธคำว่าพุทโธเนี่ยไม่ใช่รู้แต่ลมอย่างเดียวเท่านั้นนะพุทโธนี่มันกว้างไปหมดทุกอย่างละ่ะรู้ทางที่ผิดรู้ทางที่ถูกทั้งหมดนะไม่ใช่ว่าพุทโธพุทูบางคนจะเข้าใจว่าภาวนาพุทโธ พุทโธนะ่ะจะเอาคนงามคนนี้นอารมณ์เช่นนี้คําที่ว่าพุทโธนี่ทำให้เป็นอารมณ์อันเดียวจิตมันฟุ้งซ่านดาคาญเอาอารมณ์เนี่ยเป็นหลักเอาลมนี่เป็นหลักไว้ เ, เพื่ อ, อจิตคนนี้ยับยัง้งให้เห็นอยู่ในพุทโธอันนี้เท่านั้นเองพุทโธนี่รู้สัพพัสสารพัสทุกอย่างเหมือนพระพุทธเจ้าคนโรตรัสมาท่านย่อเป็นคําพูดอันนี้ว่าเป็นพุทโธพุทโธ บางคนจะไปภาวนาพุโทโธไว้ไม่เห็นได้แต่บางทีก็ง่วงนอนจะซ้ำไม่เห็นผลประโยชน์มันพุโทโธแตนแปลว่าผู้รู้หรือผู้ตื่นก็เรื่องจิตใจเรานี่เองเป็นผู้รู้หรือเป็นผู้ตื่นเมื่อกิจเราสงบทำกิจสงบที่ยวสมถะภาวนานะสมถะภาวนาวิปัสนนาภาวนาในครั้งพระพุทธเจ้าของเรารู้ไม่ค่อยมี มีแต่ว่าท่านประพฤติหรือปฏิบัติธรรมเท่านั้นันรู้สึกกรรมะปฏิบัติธรรมะบัดนี้เรามาแยกักสมถะบิปัสนาบางคนก็เข้าใจแยกกันออกฉันจะทำสมถะซะก่อนอีกปีสองปีท่านจะทำวิปัสนาไอ้ความเป็นจริงสิ่งสองสิ่งนี้มันแยกกันไม่ได้ฮะมันแยกไม่ได้กาลังของสมถะคือความสงบ อย่างเราอยู่บ้านมันวุ่นวายออกมาอยู่ป่าใช่มันไกลรูปไกลเสียงกิ่นรสหนเนี่ยกิเลสมันก็มีอยู่แต่มันห่างหน่อยมาอยู่ที่นี่มันสงบเพราะไม่เคยได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้เห็นอยู่ไปนานๆไปมันก็สงบมีสงบชั่วคราวนี่เรียกว่าสมถะคือมาหลบอารมณ์อยู่อืแต่ว่าเมื่ออารมณ์มันมากระทบก็ไม่สบายอีกแล้วเท่านี้กําลังเท่านี้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 ถ้าเรารู้ไม่ถึงมันก็ไม่สบายมันก็เป็นสมนนถะถ้ามันรู้ถึงมันก็สบายมันก็ใจเช่นกระโถนใบนี้เราทุกคนก็เรียกว่ากระโถนกันทั้งนั้นละรู้แต่มันมันรู้ไม่ถึงถ้าไปบ้านอื่นเขาเรียกว่าหม้อเราก็จะไปว่าเขาอีกละเรียกว่าหมอ้อเขาเรียกว่าหม้อกันเราก็จะไม่สบายใจไอ้ความเป็นจริงนึ่นคือเรารู้ไม่ถึงมันไม่รู้กรรู้ไมถึงกระโถน ถ้ารู้ถึงมันนะเขจะเรียกว่ากระโถนแล้วก็สบายเขาจะเรียกว่าหม้อแล้วก็สบายเพราะวัตถุอันนี้ไม่มีกระโถนในที่นี้ไม่มีหม้อในที่นี้มันจะเกิดเป็นกระโถนขึ้นมาแล้วก็สมมติเอาว่าเป็นกระโถนมันจะเกิดหม้อขึ้นมาแล้วก็สมมติเอาว่าหม้อแต่แล้วทางเป็นความเป็นจริงแล้วก็เรียกว่าหม้อกับเขาก็ได้เรียกว่ากระโถนก็บเขาก็ได้ถ้าเรารู้ตามเป็นจริงนะรู้ถึงที่รู้แลยเขาจะเรียกอะไรก็สบายใจอยู่ มันเป็นเช่นนั้นอารมณ์ท้งหลายทางพวงเช่นนั้นเมืลล่อเราดึงตาขึ้นมาแล้วจิตเราสงบทําไมมันถึงสงบมันรู้ตามเป็นจริงของมันเหมือนกับบุคคลที่รู้กระโถนใบนี้ให้ถึงกระโถนถ้าคนรู้ถึงกระโถนเนี่ยไม่มีอะไรก็จะเรียกว่าถ้วยก็ได้ก็จะเรียกว่าหม้อก็ได้ก็จะเรียกว่ากระโถนอะไรใจก็ยังสบายอยู่เพราะมันรู้ถึงกระโถนเช่นนั้นฉนันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้า ร, ารู้ธรรมะ ในรูปอันนี้ในานามอันนี้ตามเป็นจริงแล้วเช่นนั้นเราก็จะประกันมีความสบายสงบอยู่จากอันนี้สักกาเยติติวิกิกิจฉาศิลพตาประมาสอันนี้มันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ไม่ได้สงสัยแล้วในสมมุติอันนี้ในขันก้อนนี้ในกองอันนี้ในรูปอันนี้ในานามอันนี้ไม่สงสัยแล้วไม่ยึดถือเป็นเนื้อเป็นตัวของเราเห็นตามเป็นจริงแล้ว จิริปตาปรมาตรูปคำก็ไม่รูปคำไอ้ความรู้สึกมือคิดอันนี้อันนี้เป็นเกเรตอย่างหนึ่งถ้ามันหายออกจากใจของบุคคลเหล่านั้นก็เปลี่ยนทันทีเลยว่าเป็นอริยกิจน ย, ยู่เหนือสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอันนี้คือผลเกิดจากการประพฤติปฏิบัติให้รู้ตามไปจริงเรีย ก, กว่าปัญญามิฉะนั้นญาติโยมเราทั้งหลายก็ค่อยๆทาไปค่อยๆทาไปทาสมถะมันเป็นอยู่ในนี้แหละ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 มะม่วงใบเดียวมันเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเช่นนั้นน่ะมันเปลี่ยนไปจนกว่ามันจะสุกกะมะม่วงใบเดียวอันนั้นเนี่ยมันจะแยกมันไม่ได้ครอกจะแยกสุกๆบิบๆมันไม่ได้ละมะม่วงใบนั้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นแหละอนี่เราจะได้เห็นว่าในระยะหนึ่งนะมันจะเปรี้ยวนี่ในระยะต่อมามันสุกมันจะหวานไอ้เปรี้ยวมันไปไหนล่ะนะมันก็มาเป็นหวานนั่นแหละ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 ขันอันนี้ก้อนก้อนอันนี้กองอันนี้นนตามเป็นจริงถ้าเรามีความสบายแล้วมันเป็นสมาทุธิมันรู้รูปอันนี้ตามเป็นจริงรู้นามันนี้ตามเป็นจริงรู้รรก้อนอันนี้ตามเป็นจริงแล้วมันประวางประวังฉะนั้นเมื่ my knowledge, my knowledge. อวางแล้วมันมีความรู้อยู่รอบๆอยู่มันระวงังมันอยู่เรื่อยๆไปเรื่อยๆไปอันตรายมันรู้จัก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 อย่าไปยิ่งตามความดีใจอนันอย่าไปยิ่งตามความเสียใจอนันให้เป็นผู้มีปัญญารอบรู้อยู่เสมอว่าสุขนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงทุกนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงไอ้ความดีใจนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงไอ้ความเสียใจนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ให้เราเห็นอยู่เช่นนี้เองไปตามไปหาใครทางนั้นไม่เข้าข้างใครท้งนั้นแหะธรรมะเนี่ยเดินตรงไปเช่นนี้บุคคลนั้นจะสงบนะ ผู้ตามไปตามความสุขนั่นแหละคนนั้นจะทุกข์ผู้วิ่งไปตามความทุกข์นั่นแหละคนนั้นก็จะทุกข์นี้พระพุทธเจ้าสอนให้ไปครึ่งๆเจ้นี้เป็นสัมมาปิปปิทาพูดเรื่องจิตนะไม่ใช่พูดเรื่องอื่นพระพุทธศาสนานี้เป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องของเนื้อหนังมันเรื่องของจิตมันเรื่องของจิตเราจะต้องมาพิจารณาซึ่งจิต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 พอเราทำจิตของเราตามดูจิตของเราเพราะจิตเป็นผู้รับรู้เป็นผู้รับเห็นเป็นผู้รับเอาความสุขความทุกข์ถ้าเราตามดูจิตของเราอยู่เราก็ไม่เป็นคนอนุธาเท่านั้นน่ะเป็นพุทธบริษัทโดยสมบูรณ์ถึงนั้นแหละมีความรู้อยู่มีความเห็นอยู่มีความเป็นอยู่อย่างนั้นจะยืนก็ตามจะเดินก็ตามจะนั่งก็ตามจะนอนก็ตามรู้อยู่อย่างนั้นเองมันเป็นอยู่อย่างนั้น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 วันนี้ญาติโยมเราทั้งหลายนะที่ได้มาบําเพ็ญการบริจาคสมาทานสืงส่งศีลได้ฟังพระัธรรมเทศนาในวันนี้ทั้งสประการนีรวมเข้ากันเป็นกลุ่มมันียวกันเพื่อจะทํากิจของญาติโยมทั้งหลายรวมเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อรวมเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วไม่วันใดก็ไม่วันหนึ่งมันถึงที่สุดทุกข์จริงๆ ฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่ึงสอนในถึงความสงบในความสงบนี้มันเลิศจุดหมายแล้วอมันเป็นเฉ่นนั้นฉะนั้นวันนี้เวลาที่ญาติโยมทั้งหลายที่ได้มานั่งฟังธรรมนี้เวลานี้มันก็เวลาของโยมมันจะน้อยแต่เวลาของของเวลานะ่ะมันมากหรอกจะได้เหนื่อยกันในชะ่ไหมทีนี้ก็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 นี้แต่เอโกธรรมโอธรรมมีอันเดียวคือกติตอันนี้เงฉะนั้นขออญาตชมทั้งหลายจงนอ้อม้าไปเป็นโอปานายโกน้อมธรรมะอันนี้ไว้ในใจจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไปมีความรู้อยู่เห็นอยู่เป็นอยู่ประพฤติอยู่ปฏิบัติอยู่เรื่อยปฏิบัติที่ตรงไหนปฏิบัติเมื่อทำมันปรากฏขึ้นมาทำไม่ได้ปรากฏขึ้นมาเมื่อความไม่สบายปรากฏขึ้นมาเมื่อความโกรธปรากฏขึ้นมา เมือ่อความโลภปรากฏขึ้นมาอยู่ในรถอยู่บนรถก็ปฏิบัติมันตรงนั้นแหละสอนมันตรงนั้นแหละไม่ใช่ว่าที่ปฏิบัติอยู่วัดน้องประพงศ์ขอจะอํานวยวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ที่ตั้งใจดีแล้วตั้งเจตนาดีแล้วมาถวายภาพป่าในวันนี้ขอส่วนคุณงามความดีอนันนี้จงปกปักรักษาญาติโยมทั้งหลาย ที่มีจิตทธามีจิตอนาวันนี้ผลที่สุดนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจนมีส่วนขอแขีงปริพาน์ในอนาคตการทางหน้านโน้น